วิชาแปลบาลีเป็นไทยระดับ1แต่ละหลักสูตรที่แจกแผ่นหลักสูตรไปเห็นไม้มมีระดับ1ถึงระดับที่6 ก, ก็จะมีวิชาแปลเนี่ยทุกระดับตั้งแต่พื้นพื้นไปจนถึงระดับที่6 ก, ก็คือแปลพระไตรปิฎกเลยระดับเบื้องต้นนี่ก็แปลอย่างนี้ไปก่อนแปลไปเรื่อยๆตำราฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักสูตรวิชาแปลบาลีเป็นไทยระดับ1สําหรับนักศึกษาบาลีเบื้องต้นมีเนื้อหาแสดงวิธีการแปล นามวิพัตตยันตปทะบทที่มีวิพัตนามอยู่สุดท้ายนามวิพัตตยันตปทะบทที่มีวิพัตนามอยู่สุดท้ายอาขยาสวิพัตตยันตปทะบทที่มีวิพัตอาขยาอยู่สุดท้ายนักศึกษาสามารถนําเนื้อหาแต่ละตอนไปใช้เป็นกถาสรัลปะสนทนาบาลีคําว่ากถาสรัลปะนี่แปลว่าสนทนาบาลีได้อีกด้วยตัวอย่างที่ยกมาประกอบนั้น จากพระไตรปิฎกก็มีจากอัตถกถาก็มีซึ่งได้แสดงที่มาอ้างอิงไว้แล้วบางตัวอย่างผู้เขียนได้แต่งขึ้นเองเพื่อให้เข้าใจง่ายแก่นักศึกษาระดับเบื้องต้นและเพื่อแนะนำวิธีการแปลให้ถูกต้องตามเนื้อความของหลิงและาธาตุในบทนั้นวิธีการแปลที่นำมาใช้ในตำราฉบับนี้มี3วิธีคือ 1. สัทัตแปลตามเนื้อความของศั์ มีาธาตุมีปัจจัยวิพัตอย่างไรแปลอย่างนั้นเลยสองโวหารรัฐะแปลให้ได้เนื้อความตามโวหารของโลกแปลเอาความง่งายๆสามอธิปายยัตถะแปลขยายให้ได้เนื้อความชัดเจนขึ้นก็คือเท่าศัพท์เท่าที่มีแปลเท่านั้นไม่ได้ความก็เพิ่มอธิบายออกไปหวังว่านักศึกษาจะได้รู้วิธีการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยพอควร แล้วก็มีคำกรอนสั้นๆเอาไว้ลองฟังดูก็แล้วกันโอชาคุณอันจชะชโลมจิตให้เพ่งพิษอัดทอยอย่างร้อยภาษาพร้อมหยาดหยดซึมซาบอาบอุรานักศึกษานิกรุษพุทธธรรมอยากดูเนื้อหาดูที่สารบัญโดยภาพรวมมีเนื้อหาอะไรบ้างลองเปิดดูหน้าสารบัญในหน้าสารบัญเนื้อหามีตั้งแต่นามวิพัตยันตบทโดยเรียงไปตามลาดับวิพันาม ตัวดำดำอ่ะนะปฐมาวิพัตยันตะบทบทที่มีปฐมาวิพัฒน์เป็นที่สุดว่าใช่ในอัดอะไรบ้างทุติยาวิพัตยันตัดปะทะนะบทที่มีทุติยาวิพัตน์เป็นที่สุดตติยาวิพัตยันตัดปะทะบทที่มีตติยาวิพัตน์เป็นที่สุดจตุถีวิพัฒยันตัดปะทะบทที่มีจตุถีวิพัฒน์เป็นที่สุดปันจะมีวิพัฒยันตัดปะทะบทที่มีปัญจะมีวิภัฒน์เป็นที่สุด ชัดถีวิพัตยันตปะะัฏฐบทที่มีชัดถีวิพัตเปนที่สุดและสัตตมีวิพัตยันตปัฏฐบทที่มีสัตตมีพัตเป็นที่สุ ด, ส, ะะ ส, ส, ดส่วนหัวข้ออื่นเช่นเจตุถีกับชัดถีอันนั้นคือเสริมเข้ามาแล้วก็ตอนท้ายวิเศษชนะกับวิเศษไสยก็เสริมเข้ามาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นมีเนื้อหาเท่านี้แหละในเนื้อหาแต่ละวิพัตนัะเขาจะมีประโยคตัวอย่างสนทนาเป็นระยะระยะซึ่งเราสามารถนําไปใช้สนทนาในกิจวัตรประจำวันได้พอสมควร เริ่มหน้าหนึ่งเปิดไปหน้าหนึ่งหลังสารบัญนามวิพัตตยันตปทะบทที่มีนามวิพัฒนอยู่สุดท้ายบทที่มีนามวิพัตอยู่สุดท้ายหมายถึงบทที่ลงวิพัฒนามบทที่มีวิพัตนามอยู่สุดท้ายยังไม่เข้าใจว่านี่ไงหมายถึงบทที่ลงวิพัตนามมีวิพัฒนามประกอบเป็นอักษรสุดท้ายมีเนื้อความของวิพัฒนามประกอบอยู่ ได้แก่บทที่เป็นสุทธนามวิเศสณนามสัพพนามสมานนามตัดทิศนามกิจตกะนามสังขยาอุปสรรคและนิบาตยกตัวอย่างมาให้ดูว่าคําเหล่านี้คําไหนเป็นอย่างไรบ้างสุทธนามยกตัวอย่างปุริโสปุริสากับสิเนี่ยมีสีวิพัฒน์วิพัฒนามอยู่สุดท้ายใช่ไหมปุริโสสละโอ น, นั่นคือสีวิพัฒน์ แปลว่าบุรุษกัญญามาจากกัญญากับสีวส่วิพัฒน์สี่วิพัฒ์แม้จะลบแล้วก็มีเนื้อความของวิพัฒ์อยู่สุดท้ายสาวน้อยจิตตังมาจากจิตตะกับสี่วิพัฒสิเป็นอังก็เลยเห็นจิตตังจิตหรือวิจิตอันนี้เป็นสุทธนามต่อไปวิเศสนามคําขยายวิเศสนามคือคําขยาย ต่อไปดูวิเศสณนามวิเศษณนามก็คือคําขยายสุทธนามนั่นแหละขยายว่าอย่างไรเช่นบุรุษเป็นยังไงบุรุษดีบุรุษชั่วบุรุษลอบุรุษขี้เหล็บุรุษเตี้ยบุรุษสูงบุรุษอ้วนคําเหล่านี้เป็นคําขยายยกตัวอย่างโสพโนโสพโนนี่ขยายบุรุษถ้าขยายลิงอื่นก็เป็นถ้าขยายคันยาก็โสพนาขยายจิตตังก็โสพนัง โสพณะแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าสวยถ้าบุรุษก็รูปลอโสพณะมาจากโสพณะบวกสีวิพัตสีเป็นโออย่างนี้ก็มีวิพัตนามอยู่สุดท้ายเหมือนกันเป็นคําขยายมะทุโรมะทุระแปลว่าหวานแปลวะา่าไพงเลาะรสก็รสหวานเสียงก็เสียงไพง่งเลาะมะทุระเช่นมะทุระวาจาพูดหวานพูดเพราะ มาทูรารสกรสหวานรสอร่อยต่อไปคำสรรพนามสรรพนามก็ลงวิพัฒนามอยู่สุดท้ายเหมือนกันเช่นโสมาจากตะสัพพนามบวกสีสีเป็นโอตะเป็นสะจึงมีรูปเป็นโสแปลว่านั้นอะไรนั้นหมดละปุงลิงก็นั้นอิทธิลิงก็นั้นนะักปูงสกัลลิงก็นั้นต่อไปสัพโพมาจากสัพพกับสีสีเป็นโอก็เป็นสัพโพแปลว่าทั้งป้วงทั้งหมดทั้งสิ้น คำนี้เป็นสรรพนามเป็นต้นสรรพนามมี27ตัวไปไล่เอานะในเล่มไวยากรณ์นี่แหละต่อไปคำที่เป็นสมานนามคำสมานมีวิพัฒนามอยู่สุดท้ายเช่นมหาปุงริโสมาจากมหันตะอาเทศมหันตะเป็นมหาเข้าสมานกับปุงริสะก็เป็นมหาปุริสักลงศิปธมาวิพัตน์เป็นโอจึงเป็นมหาปุงริโสแปลว่าบุรุษผู้ประเสริฐ บุรุษผู้สูงสุดบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะมหาปุริโสปัตตะจีวังกรังมาจากปัตตะสับแปลว่าบาทจีวังรแปลว่าจีวอเข้าสมาดกันแล้วเป็นปัตตะจีวังร่ลงสิปัธมาวิพัตศิเป็นอังจึงเป็นปัตตะจีวังกรังแปลว่าบาทและจีวออันนี้เป็นคําสมาดเหมือนกันบาทและจีวอต่อไปเป็นคําตัดพิษนาม ตทิศนามหรือตัดทิตะนามะนะตัดทิศนามเช่นวาสิโถมาจากวสิทธลงณนะปัจจัยในอัตว่าลูกหลานเหล่าก่ออป จ, จตทิศลงศิโดยการลบณนะแล้วก็วุธิอธิวะต้นศับนะเป็นอาจากวสิทธเป็นวาสิทธแล้วก็อาเทศศิเป็นโอเหมือนเดิมวาสิโถจึงแปลวะ่าลูกของวสิทธ วาสิทธะเนี่ยเป็นลูกของวาสิทธะอีกอุทาหอหนึ่งกัจจายโนกัจจายโนเรารู้ว่ากัจจายนะกัจจายนะมาจากกัจจะลงนายนะปัจจัยในอัตว่าลูกหลานเหมือนกันลบณเหลืออายนะแล้วก็ประกอบกันเข้าเป็นกัจจายนะลงสี่เป็นโอเหมือนเดิมกัจจายณะนี่เป็นลูกของกัจจะลูกของนายกัจจะชื่อว่ากัจจายนะ ต่อไปเป็นคำกิดยกตัวอย่างน้อยๆกิตะกะนามศัพท์ที่สําเร็จมาจากกิดแล้วลงวิพัฒนามอยู่สุดท้ายเช่นพุทธโธมาจากพุทธธาตุบวกตระปจะใจวิธีทําก็คืออาเทศตระปจะใจเป็นทอทงเป็นทะททนิตะแล้วก็อาเทศทอทงที่สุดธาตุเป็นทนิตะเนี่ยมาเป็นสิทิละแทนเป็นททหารจึงมีรูปเป็นพุทธลงสี่เป็นโอจึงไดง้รูปเป็นพุทธโธ แปลว่าผู้ตรสัสรู้หรือแปลโวหารว่าพระพุทธเจ้าต่อไปคําที่เป็นสังขยาเช่นเอโกตั้งแต่1ขึ้นไปจปนถึงอสงไข่1 น, นตัวเลข0ูนย์นั่นแหละนะเอโกมาจากเอกะสังขยาแปลว่า1ลงศีดเป็นโอก็เป็นเอโกแปลว่า1 ห, หรือแปลว่าเดียวเช่นบุคคลผู้หนึ่งหรือบุคคลคนเดียวอะไรอย่างนี้นต่อไปอุปศรคอุปศัค เช่นปัญญาปัญญามาจากปะอุปสรรคบวกยาธาตุกวิปัจจัยในกิจกวิปัจจัยเนี่ยอยู่ในกิจแล้วก็สี่วิพัตปะกับยาบวกกันเข้าอ่านว่าปะยาแต่ออกเสียงไม่เพราะท่านเลยซ้อนยะมาอีกหนึ่งตัวเลยเป็นปัญญาปัจจัยที่ลงมาคือกิวั่นลบทิ้งสิลงมาหลังจากอิถีลิงอากาลันก็ลบสี่ทิ้งอีกก็เหลือแต่ปะกับยามีรูปเป็นปัญญาแปลว่ารู้ทั่วถึง รู้มาจากยาธาตุปะแปลว่าทั่วถึงรู้ทั่วรู้มากรู้ชัดเจนปัญญาปะเป็นอุปสรรคต่อไปนิบาศคํานิบาศเช่นนะโมนะโมเราก็แปลว่าความนอบน้อมแปลว่านอบน้อมมาจากนะโมนิบาศนะนะโมนิบาศแล้วก็สิปัทมาวิพัฒน์หลังจากนิบาศลบสิทิ้งไปเหลือนะโมเหมือนเดิม นะโมจึงแปลว่านอน้อมเช่นนะโมตัสสะปะคะวะโตเป็นต้นนะนะคพวกนี้เป็นคำที่เราสามารถนำมาใช้ในวิธีการแปลโดยให้ลงวิพัฒนามหลังจากคำเหล่านี้ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสุทนามวิเศษนามสัพพนามสมาธนามตัดทิพนามกิตกะนามสังขยานามอุปสรรคนามด้านิบานามพวกนี้เป็นนามหมดเลย นั่นหมายความว่าคําเหล่านี้มีวิพัฒนามอยู่สุดท้ายทุกตัวมีเนื้อความของวิพัฒนามอยู่สุดท้ายทุกตัวจะเห็นวิพัฒน์หรือไม่เห็นวิพัฒน์ก็ตามแต่จะมีเนื้อความของวิพัฒน์อยู่ด้วยอย่างนามโมลงวิพัฒน์ได้ตัวเดียวนามโมลงสี่เนี้ยตัวเดียวเขาเรียกว่าจําแนกไหมตัวเดียวไม่จําแนกคําว่าวิพัฒน์แปลว่าจําแนกเนี่ยมีตั้งแต่ทุติยาวิพัฒน์เป็นต้นไปจริงจะจําแนากความหมาย ปฐมามิพัฒน์เนี่ยยังมนันเรียกว่าจำแนกความหมายเคยอธิบายให้ฟังแล้ววิพัฒนามบอกว่ากรรมมาที่วเสนะตั้งแต่กรรมเป็นต้นไปเรียกว่าจำแนกปฐมามิพัฒน์กับอารปปณะนะอันนั้น น, นี้ลงสี่วิพัฒน์ไม่ลงวิพัฒน์อื่นไม่ได้ส่วนหลักการแปลเราว่าไปแล้วเมื่อวานเนี่ยมีอยู่สิบเอ็ดหลักตามลำดับเห็นอาลนะัปปณะแปลก่อนไม่มีอาลนะัปปณะเห็นนิบาตต้นข้อความแปลก่อน ไม่มีนิบาตต้นข้อความเห็นนิบาตบอกข่าวลือแปรถ้าไม่มีดูการรัศธรมีแปร before. ถ้าไม่มีดูประธานเห็นประธานแลแ้แพรถ้าไม่มีประธานก็ไม่ต้องแปรข้ามไปบทขยายประธานแปรถ้าไม่มีบทขยายประธานก็หากิริยากิริยาก็มีกิริยาในระหว่างถ้าไม่มียยกิริยนในร า, า, ายในระหว่างก็ดูกิริยาคุมภากอย่างเดียวแล้วถ้ามีกิริยาในระหว่างก็ดูบทขยายกิริยาในระหว่าง ไปดูคียาคุมภาคดูบทขยายคิยาคุมภาคแล้วบอกอ่ะแล้วก็ดูนิบาศ ท, ที่มีอัดคําถามตามลาดับอย่าเนี้ยว่าไปตามลาดับแล้วก็มองหาไปเรื่อยในหน้าสามนี้บอกสูตรเอาไว้ย้ําหลายทีแล้วแหละแต่ก็บอกเอาไว้เผื่อสงสัยจะได้แว บ, บกลับมาดูทีหนึ่งดูก็ได้นะสูตรประโยคมีอยู่ห้าประโยคในภาษาบาลีว่าตามวาจกอันเป็นอัดของวิพัฒน์ธรรมดา เป็อาถรรของวิพัฒนธรรมดาจะไปอธิบายในอาถของวิพัฒน์ไม่ถือว่าเป็นประโยคเพราะว่าจะเป็นประโยคได้นั้นต้องมีหนึ่งบุรุษวิพัฒน์อื่นนอกจากปฐมายวิพัฒน์เป็นบุรุษไม่ได้ต้องมีบุรุษบุรุษบุรุษจะนับว่าเป็นประโยคว่าประโยคนั้นประโยคนี้ก็คือต้องมีบุรุษประโยคนั้นต้องมีบุรุษตัวที่จะเป็นบุรุษได้นั้นคือบทที่ลงปฐมายวิพัฒน์เท่านั้นถ้านามก็ลงปฐมาวิพัฒน์เอกพจน์โส แทนพ่อหุวงพ่อเตแทนนามใดทุกตัวส่วนมัชฌิมบุรุษก็ตระวังตุมเหอุตรมบุรุษอาหารเมยังแค่นี้เองท้าวิพัตน์อื่นนอกจากนี้เป็นบุรุษไม่ได้บางทีมีแต่ประธานไม่มีกิริยาบางทีมีแต่กิริยาไม่มีประธานแต่ในกรณีที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบสองกรณีที่มันไม่ใช่ประโยคต้นมันเป็นประโยคต่อ ต, อ ต, อตอไปเพราะท่านละไว้เพราะรู้แล้วท่านก็ละล ะ, ละ แต่ว่าถ้าอยู่ดีแล้วมีมาแตกิยาเลยไม่ได้ต้องมีประธานมาด้วยประโยคถัดๆไปไม่อยากคูดประธานเนี่ยซ้ําอีกก็ตัดประธานออกได้แสดงแต่กิยาภาวะสักแต่ว่าความมีความเป็นของกิยาเท่านั้นนักเรียกว่าภาวะก็ตัวเนี่ยตัวกิริยาเองนั่นแหละเป็นเป็นบุรุษเป็นบุรุษมีบุรุษ กรณีที่โยมถามเช่นประโยคอนาทอประโยคลักษณะใช่ไหมประโยคนิทาะรณะพวกนี้แต่ภาษาสนาหมหลวงทั่วไปนะเขาเรียกประโยคแต่บาลีไม่เรียกประโยคไม่เรียกประโยคเพราะว่าประโยคหนึ่งเนี่ยแม้มีหนึ่งประโยคไม่มีอะไรต่อไปหรือไม่มีอะไรก่อนหน้านี้มันก็รู้ความแต่ถ้าเอาเฉพาะนิพธนะรณะหรือลักษณะมาอย่างเดียวเรียกว่าประโยคแล้วไม่มีอย่างอื่ออีกแครู้ไหมว่าคืออะไรเช่นเมื่อบิดาร้องไห้อยู่บุตร ไปบวชแล้วเนี่ยบวชไปบวชแล้วไม่เอาเมื่อบิดาร้องไห้อยู่นี่เป็นประโยคลักษณะจบประโยคแล้วรู้เรื่องไหมดังนั้นประโยคนิทานะประโยคอนาธรประโยคลักษณะ3าอย่างเนี่ยนะทั้งฉถีและสัตตมีเนี่ยไม่ถือว่าเป็นประโยคเพราะประโยคน์แต่ก็ประโยคนั้นนะในวิธีกําหนดประโยคน์ท่านบอกว่าต้องมีบุรุษปรากฏว่าขยะนี่คือประโยชน์จําคาถาได้ไหม อักษรแต่ละตัวแต่ละตัวท่านเรียกว่าอะไรอักษรมารวมกันเข้าเรียกว่าอะไรบทมารวมกันเข้าเรียกว่าอะไรประโยคมารวมกันเข้าเรียกว่าอะไรจํำคาถานนี้ได้ไหมหเดี๋ยวหาหนังสือแจกก่อนใครว่าได้ <laughs> <laughs> ถ้าสมัยก่อนว่าต้องการอะไรก็บอกมายกเว้นเดือนกับดาว <laughs> อเอาเปิดเจอแล้วเอาเปิดเจอแล้วเอ า, อ, า, อ, าอ่านอ่านอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยเ <laughs> ขียนเมื่อไหแต่วันที่เท่าไหร่ เปิดหาอุตรุดแล้วยังไม่เจอหัดจําอะไรสักคาถาหน่อยเธออย่าว่าแต่ว่าวิธีจําเป็นของโบราณโบราณอาจารย์เกินไปโบราณอาจารย์เน่ยท่านบรรลุมรรคผลเนี่ยดูนะคาถานี้บอกว่าเอเกกะวันโนอคันโรอักังระสมูโหปะทังปะทะสมูโห ว, ว่าขยังว่าขยะสมูโหคันโถ เอกกะวันโนอักษรตัวหนึ่งหนึ่งอักันโรชื่อว่าอักขันระอักษรตัวหนึ่งหนึ่งชื่อว่าอคันระอคันระสมูโหประทังอคันระสมูโหการประชุมกันของอักษรอักษรหลายๆตัวมารวมกันเข้าประทังชื่อว่าบทชื่อว่าบทอักษรมารวมกันเข้าตั้งแต่สองตัวขึ้นไปก็เป็นบทถ้าตัวเดียวไม่เป็นบทนะ ตัวเดียวไม่มีความหมายต้องอักษสองสองักษรอย่างน้อยสองสองักษรขึ้นไปปัทสมมโหว่าขยังปัทะะสมมโหการประชุมกันของบทหรือว่าหลา ย, ลายบทมารวมกันเข้าว่ากยังชื่อว่าว่าขยะหรือประโยคชื่อว่าประโยคอย่างน้อยก็คือมีประธานขับิริยาถ้ า, ามีกรรมก็มีกรรมมาเพิ่มปัทสมมโหว่าขยัง หลายๆบทมารวมกันเข้าเรียกว่าว่าขยะเรียกว่าประโยคว่าขยะสมูโหคันโถว่าขยะสมูโหการประชุมกันของประโยคหรือว่าหลายๆประโยคมารวมกันเข้าคันโถชื่อว่าคำภีชื่อว่าตำราชื่อว่าหนังสือดังนั้นต่อไปจะเรียกว่าว่าขยะบ้างภาพบ้างประโยคบ้างนั่นคืออันเดียวกันโยคะทําไมเลย โยคะก็แปลว่าประกอบถ้าโยคะเฉยๆโยคะเฉย ๆ, ยฉยๆไม่ค่อยได้ใช้อะโยคะเฉยๆไม่ค่อยได้ใช้มิตรประโยคะสัมปโยคะวิประโยคะอะไรอย่างี้เขียนคำแปลอักษรตัวหนึ่งหนึ่งเรียกว่าอักขระอักษรตัวหนึ่งหนึ่งเรียกว่าอักขระหลายอักขนระรวมกันเข้าเรียกว่าบท หลายอคติระรวมกันเข้าเรียกว่าบทนั่นคือรวมกันกน็ติดกันต่อกันออกเสียงค่าวเดียวกันนั่นแหละหลายบทรวมกันเข้าเรียกว่าว่ากยะหรือภาคหรือประโยคบางทีเราไปเห็นคําเหล่านี้ในที่ไหนเข้าใจว่าประโยคเรียกว่าว่าขยะเรียกว่าภาคเรียกว่าประโยคภาคอ่ะภาคขยะน้าเปลี่ยน หลายหลายบทรวมกันเข้ า, า เ, ร oriented, เรียกว่าวากย ะ, igail, folded, ระเรียกว่าผ้าเรียกว่าประโยคเรียกว่าวากยะก็ได้ภาคก็ได้ประโยคก็ได้หลายๆายประโยครวมกันเข้าเรียกว่าคำภีหลายหลายประโยครวมกันเข้าเรียกว่าคำภีรคาถาหรือกําหนดประโยคไม่ได้บางทีทั้งคถาประโยคเดียวบางทีทั้งคถาสมประโยคทั้งคถาสี่ประโยคทั้งคถา ห้หประโยคก็มีไม่แน่แต่ถ้าคาถาเนี่ยเขาไม่นับเป็นประโยชคาถาเขาจะนับเป็นบาทบาทไม่ใช่ประโยคชน์เป็นฉันเป็นคาถานี่ยเขาไม่เรียกประโยคน์เขาจะเรียกว่าบาทคาถาละกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ฉันก็มีอย่างนุชานามิพิกเวดูก่อนสูงหลายเราอนุญาตให้เธอทําอย่างนี้นี่เนี่ก็ไม่เป็นฉันแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเป็นสุภาษิตนะ เป็นเกรดทําเป็นหัวใจทําเป็นหลักทำเนี่ยมักจะตัดด้วยคาถาเป็นแบบเป็นส่วนมากแต่ถ้าเป็นข้อความอื่นทั่ ว, วไปผู้เจ้าตราัสเขาเป็นธรรมดานี่เองร้อยแก้วธรรมดาในเวลานั้นเนี่ยทุกศาสตร์ที่มีสอนอยู่ในโลกคือสิบแปดศาสตร์นี้เท่านั้นผู้เจ้าเรียนจบครบทุกอย่างเลยจบตั้งแต่อายุเท่าไหร่จบตั้งแต่อายุสิบหกไม่มีแต่วิชาคอมพิวเตอร์แต่ไม่ใช่ธรรมดานะ การคำนวณอะไรเท่าไร่เท่าไห ร, ไหร่วิชาคำนวณก็มีในาศสาสตร์สิศาสตร์นั้นมีวิชาคำนวณด้วยฟันดาบมีด้วยวิชาวิชาวิชายุทธดูหน้า3สูตรประโยค 1. ประโยค ก, กตัตตุ2ประโยคกรรมะสประโยคเหตุกัตตุ4ประโยคกรรมะและ5ประโยคภาวะประโยคกัตตุเนี่ยสูตรที่เคยให้ไว้ก็คือปฐมากัตาทุติยกรรมกิริยากัตตุ จะเพิ่มว่าวาจกตามหลังก็ได้ไม่ผิดอะไรหรือหรืออีกสูตรหนึ่งนะครับหรืออีกสูตรหนึ่งมีสยักตามีกรรมแล้วก็มีกัตตุรูปกัตตุวาจกเรียกอย่างนี้สําหรับนักสัมพันธ์วิชาประโยคนสามสนามหลวงเขาจะใช้คํานี้ส่วนของเราจะใช้ว่าปฐมากัตตาทุริยกรรมกิยากัตตุโอถ้าจําได้ประเสริฐเลิศเลยไม่จําก็ได้ก็บอกว่าย่ําแล้วย่ำไปอีกไง ผ่านเช้าผ่านเย็นทุกวันทุกวันไม่ไปไหน่ก็จําจได้ถ้าสยะแปลว่านอนเนี่ยบาลีถ้าเป็นคนํานาวเขจะเป็นเสยะเสยะเสยยะสายยะเสยยะนั้นถ้าสัยะเฉยๆเนี่ยแปลว่าสายามแปลว่าเองเหมือนคำว่าสายามภูสยากัตตาก็คือทํากิริยาเองหมายถึงไม่ต้องใช้คนอื่นเขาทำทำเองเลยสยากัตตาแปลว่าทํากิริยาเองกรัมก็กรรมธรรมดานี่แหละ ไม่บอกว่าทุติยกรรมเพราะเสยขัดตามมันต้องคู่ทุติยากรรมอยู่แล้วเป็น อ, อื่นไม่ได้แล้วก็ตัวกิริยาก็จะเป็นกัดตุงรูปกัดตุวะจกรูปสําเร็จนั้นเป็นกัดตุรูปแล้วคุมประโยชน์ข้งประโยคว่ากัดตุวะจกตัวอย่างสูโทโอโทหนังปจัจจติสูโทพ่อครัวเนี่ยโอทหนังซึ่งข้าวปจัจจติย่อมหุงมีเงเรียงำตามลาดับนะสูโทพ่อครัวปจัจจติย่อมหุงโอทนังซึ่งข้าวพ่อครัวหุงเองไหม หงเองก็ถูกเรียกว่าสยายกัตตาเพราะทํากิาว่าหุงเนี่ยด้วยตัวเองไม่ต้องใช้ใครทำโอทนังเป็นกรรมธรรมดานี่เองเราจะเรียกว่าทุติยกรรมหรือจะกรรมเฉยๆก็คืออันเดียวกันปจัจจติกิริยาที่แปลว่าย่อมหุงเนี่ยนะเป็นกัตตุงรูปคําว่าเป็นกัตตุงรูปก็คือมีเครื่องหมายของกัตตุคือปัจจัยประจหมวดธาตุใช่ไหมยอย่างนี้ไหม ปัจจัยประจําหมวดธาตุทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยที่บอกเป็นกัตตรูปกัตตุวาจก <c oughs> คือปะกะติเนี่ยปัจจัยที่บอกให้รู้ว่ากิริยาบทนั้นมันเป็นกัตตุกัตตรูปก็คือตัวมันเองเป็นกัตตรูปตัวมันโดดๆนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นประโยคเข้ามากิริยานั้นก็จะอยู่ในฐานะที่เป็นกัตตรวาจกแต่ถ้ากิริยาเพียงตัวเดียวก็จะเป็นกัตตรูปคือมันตัวเดียวไม่เห็นประธานไม่เห็นกรรมจะเรียกมันว่ากัตตรูป อนี่ก็เหตุบวกอ่ะยะจําได้ไหมที่ให้ปจํากระจายยาสูตรมา8สูตรถ้าจำตรงนี้ได้ชัดเจนหมดเลยปูวาทิตโตอักรุธาทิตโตนี่ก็เหตุตปูพันจะที่วาทิตโตโยสวาธิตโตนูนาอุนาจะกิยาทิตโตนาคหาทิตโตปปานหาตนาทิตโตโอญิงราจุงราทิตโตเนนะยาแสูตรบอกแล้วบอกว่าถ้าขยานได้กิจ จำอะไรไม่ได้ให้จำแปดสูตรนี้ได้แล้วก็ถือว่าเข้าใจเลยภูวาทิโตอะเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้ากิริยาตัวไหนมันมีอ่ปะปัจจัยอยู่แสดงว่าตัวนั้นมันเป็นภูวาธิคณะด้วยเป็นคัตตรูปด้วยปะจะเห็นไหมปะจานี่เป็นมันเป็นท่าเดิมปะจะ่ะแต่ว่าถูกลบสระที่สุดท้ายไปแล้วเพราะสละปะจ่ะมันมีสองสองอ่ะก็ลบอ่ะสุดท้ายไป น, นั้นอ่ะที่เห็นอยู่ที่จ่ะตอนนี้มันคืออ่ปะปัจจัยยังไง ดนก็รู้อ๋อปัจจัตถ์เนี่ยเป็นภูวาธิคณะเนี่ยแล้วเป็นกัตตรูปด้วยมันมีสัญลักษณ์ของมันแต่เมื่อไหรปัรจจิติกิจยาวกัตตรูปตัวนี้มันไปอยู่ในประโยชนก็จะถูกเรียกว่ากัตตรวาจกกัตตรวาจกในฐานะที่อยู่ในประโยชนกัตตรูปก็คือตัวมันตัวเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับตัวอื่นกัตตรสานะมาเรื่องกิจครับสถ า, านะเป็นเรื่องของกิจเท่านั้นไม่เกี่ยว ถ้าคาไหนอย่างเช่นพุทโธอย่านี้ครับพูดตรัสรู้เองเนี่ยเรียกว่ากัตตุสถานะถูกไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกัตตุสถานะเพราะตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองสําเร็จมาเป็นกัตตุสงสัยตรงไหนถามเอากัตตุเนี่ยก่อนให้แจมแจ้งไปเลยวันเนี้ยแจมแจ้งแทงทะลุ ป, ปุโ ป, ปรงประโยช ก, กัตตุรูปเนี่ยเราจะไปมองภาพรวมว่าอ๋อมันมีแค่สามสั์ไม่ใช่นะสามสั์เนี่ยยก ขึ้นมาให้เห็นว่ามันเป็นกัตตุมันเป็นกรรมมันเป็นกิริยาอย่างไงแต่ถ้าตัวธาตุมันไม่มองหากรรมมันก็จะมีแค่สองสั์ในประโยคนั้นน่ะธาตุมันไม่มีกรรมกรรมมันก็จะไม่มีมีแต่กัตตุมีแต่เสยักตากามีแต่กิริยากรรมจะไม่มีเพราะธาตุมันไม่มีกรรมแต่ว่าหุงเนี่ยมันมองหากรรมอยู่ว่าหงอะไรก็ใส่กรรมให้มันได้หรือไม่ใช่สามบทแล้วสมบูรณ์นะแล้วแต่ว่าความประสงค์ของผู้พูดว่าจะพูดให้ได้เนื้อความแค่ไหน อาจจะเพิ่มตัิยายุพัทธเข้ามาอีกจะตุถีปัญจะมีฉัตรถีสัตตมีนอกจากนี้ยังมีนิบาศยังมีอาลักมะเพิ่มเข้ามาอีกใช่ไหมแย่จนกว่าจะได้ครบเนื้อความที่อยากจะพูดนั่นหแหละดังนั้นในประโยคหนึ่งๆเนี่ยอย่างน้อยต้องมี2คือกัตตาและกิริยาอย่างน้อยมี2คือกัตตาและกิริยาแม้แต่ภาวะว่าแม้แต่ประโยคภาวะข้างล่างเห็นไหม ยังต้องมีกัตตามีกิริยาแค่ภาวะเฉยอย่างน้อยมีสองสั์คือกัตตาและกิริยาคือประธานกับกิริยาอย่างมากไม่จํากัดบางทีหนึ่งประโยคอาจจะมีเป็นร้อยร้อยสับอย่างน้อยประโยคนหนึ่งจะเรียกว่าว่ากะยะได้ต้องมีกัตตาและกิริยาต้องปรากฏบุรุษชัดเจนว่าเนี่ยเป็นปฐมบุรุษหรือมัธยมบุรุษหรืออุดมบุรุษบอกได้จึงจะเรียกว่าประโยค สประโยคกรรมะประโยชกรรมะนี้ตัวตัติยาวิพัฒน์เป็นกรรัตตาตติยาวิพัฒน์เป็นกัตตาเนี่ยถูกเรียกว่าอนะพิหิตกัตตาเพราะว่าถ้าว่าตติยากรรัตตาเฉยมันจะเหมือนกับปฐมาเกินไปอนะพิหิตแปลว่าไม่ถูกกล่าวตัติยาเป็นอนะพิหิตกัตตาคําว่าอนะพิหิตเนี่ยแปลว่าไม่ถูกกล่าวไม่ถูกกล่าวเนี่ยไม่ถูกกล่าวอย่างไรก็คือว่า ตัวกัดตากับตัวกิริยาเนี่ยไม่มีบุรุษตรงกันไม่มีวัจนะตรงกันทั้งบุรุษทั้งวจนะไม่ตรงไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องบุรุษและวจนะเป็นกัตตาทำกิริยาจริงแต่ไม่ตรงกับกิริยาจึงถูกเรียกว่าอณาพิหิตะกัดตาหมายถึงตัทิยาวิพัตที่แปลว่าอันอย่างเดียวอันเท่านั้นด้วยโดยอันตามเพราะมี ตรียาแปลได้หลายอย่างแต่อนาพิหิตะกะตาจะถูกแปลว่าอันส่วนกรรมเป็นปฐมากรรมแม้จะเป็นกรรมจริงแต่ว่ามีบุรุษและวจะนะตรงกับกิริยาจึงถูกเรียกว่าอภิหิตก ร, รมตัวกรรมที่มีบุรุษและวจะนะตรงกับกิริยาดังนั้นก็คือปฐมากรรมนั่นเองอนาพิหิตแปลว่าไม่ถูกกล่าวอภิหิตะแปลว่าถูกกล่าวก็คือไม่ตรงกับตรง บุรุษและวจะนะไม่ตรงเรียกว่าอณะพิหตะบุรุษและวจะนะตรงเรียกว่าอภิหิตะส่วนกิกริยาต้องเป็นกรรมเมื่อไหร่เอาตัวกรรมขึ้นเป็นประธานกิริยาต้องเป็นกรรมแน่นอนบังคับเลยต่างจากนี้ใช้ไม่ได้ทีนี้ตัวกิริยาจะรู้ว่าเป็นกรรมหรือไม่เป็นเนี่ยต้องดูว่ามันมีปัจจัยบอกกรรมเข้ามาในอยู่อยู่ในตัวกิริยาไหม กิริยาบอกปัจจัยบอกกรรมในกิริยามีเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองคือยะตัวเดียวนอกจากนั้นมันก็มีมีอีอาคมบ้างอันนั้นไม่ใช่ปัจจัยมันเป็นเพียงอาค ม, มเฉยแต่ตัวปัจจัยคือยะตัวเดียวเท่านั้นเองยะปัจจัยไปอยู่ในกิริยาตัวไหนให้รู้ว่านั่นเนี่ยมันคือกรรมทุกตัวเลยในดูทีนี้ดูปัจจเตกิริยาปัจจเตเอถ้าเป็นกัตตุมีจอจานตัวเดียวพอเป็นกรรมทํำไมมีจอจานสองตัว เคยอธิบายทีหนึ่งแล้วตอนเรียนตรงนี้ก็คืออาเทศยะเป็นบุพะรูปเป็นเหมือนตัวอยู่หน้ามันยะเป็นเหมือนตัวหน้าตอนนี้ก็คือปัจจ่าท่ายะปัจจัยเตวิพัตเะาแยกออกมานะปัจจยะเตปัจจะถูกลบสลับไปแล้วใส่จุดยะเป็นเหมือนตัวหน้ามันคือเป็นอะไรอายะเป็นจักระเลยมีจักะสองจักะ เท่านี้วิธีแค่นี้เองยะเป็นจะยะเป็นเหมือนตัวหน้าคือเป็นจะก็ได้รูปว่าปัจจเต е และเท่านี้เองแหละเป็นกรรมถ้าไม่เอายะเป็นจักะนะให้ใส่อีหรืออีเอาคมหน้ายะมาก็จะมีรูปว่าปะจียะเตใช้ได้เหมือนกันนะปัจจเตกับปะจียะเตะความหมายเดียวกันเจ้าจานตัวเดียวแล้วใส่สลีอีแทนแล้วก็มียะปะจีย ะ, ตะเตปัจจเตก็ใช้ได้ปะจียะเตะก็ใช้ได้ กรรมเนี่ยหมายถึงว่าลงได้หลังจากท่าทุกตัวจะอยู่หมวดไหนก็ช่างท่าตัวนั้นจะเป็นภูวาที่คณะจะเป็นรูทาที่คณะคณะท่าทั้งแปคณะเนี่ยญาปัจจัยไปลงในคณะไหนบอกให้รู้ว่าทตาในคณะนั้นเป็นกรรมได้ทันทีจากคณะไหนก็ช่างลงยะได้ทุกคณะไม่เหมือนไม่เหมือนปัจจัยกัตตุถ้าปัจจัยกัตตุในคณะของใครคณะของมันปัจจัยใครปัจจัยมันแต่พอกรรมเนี่ยญาติปัจจัยไม่ว่าคณะไหนลงได้หมดสูเทนะโอทโนปัจจเตเป็นอุทาหอน สูเทนะเป็นตติยาแปลว่าอันพ่อครัวโอทโนเป็นปฐมาแปลว่าข้าวปัจจเตแปลว่าย่อมหุงหรือถูกหุงถ้าแบบแบบแบบภาษาไทยก็าบอกถูกหุงข้าวถูกพ่อครัวหุงจริงๆไม่ต้องไปแปลอย่างนั้นแปล ง, ง่ายโอทโนข้าวแปลประธานก่อนสูเทนะอันพ่อครัว ปั จ, จเตย่อมหงข้าวอันพ่อครัวหงข้าวถูกพ่อครัวหงข้าวที่พ่อครัวหงก็คือเอากรรมขึ้นมาเป็นประธานกำเป็นประธานประโยคกัดกัดเป็นประธานประโยคกรรมกรรมเป็นประธานก ร, ริกรรรายาเป็นกรร ม, มะรูปกรร ม, มะวาจกเพราะมียะบอกเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของกรรมต่อไปประโยคที่สามเรียกว่าประโยคเหตุกตุ ประโยชที่สี่เรียกว่าประโยคเหตุกรร ม, มะทั้งสองกัตตุและกรร ม, มะเนี่ยนะเพียงเพิ่มปัจจัยที่เป็นเหตุเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกัตตุไม่ว่าจะเป็นกรร ม, มะเพิ่มปัจจัยที่เป็นเหตุลงไปเลยลงที่ไหนลงข้างหน้าเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยจะลงให้ติดกับาธาตุเสมอตัวปัจจัยประจําหมวดาธาตุกับยาปัจจัยที่เป็นกรรมเนี่ยอยู่ข้างหลังเหตุปัจจัยสี่ตัวคือ เนณนะยะนาะเปนาะปะยะลงไปติดกับธาตุเลยลงติดกับธาตุตุพอลงเหตุปัจจัยสี่ตัวก็จะกลายเป็นเหตุตุกตุกำลงเหตุปัจจัยสี่ตัวก็จะกลายเป็นเหตุตุกกำสรุปแล้วทั้งเหตุกัดเหตุตุกกมเพิ่มปัจจัยมาแบบเดียวกันเลยมันแยกกันตรงที่ว่ากตุมันลงปัจจัยประจําหมวดธาตุกำลงยะปัจจัย ดังนั้นเหตุตุกัดเหตุกรรมก็จะเพิ่มเนนยะนาเป็นนาพยาสี่ตัวเนี่ยเข้าไปดูเหตุกัตตุก่อนดูนะประโยชน์เหตุกัดตุดนะ ป, รตตปธรมาเป็นเหตุตุกตาไม่ใช่ปธรมากัดตาเฉยๆนะทีนี้ปธรมาเหตุตุกตาเพราะไม่ได้ทําเองใช้ให้เขาทําคําว่าใช้ก็คือมาจากคําว่าเหตุตุนี่แหละแปลว่าเป็นเหตุให้ก็เลยแปลงง่ายๆว่าใช้สั่งบังคับของร้องเชิญปธรมา เป็นตัวเหตุตุกตาไม่ทำกิริยาเองให้คนอื่นไปทำให้ทุติยาเป็นกรรมมีอยู่สองกรรมตอนนี้มีทุติยาสองกรรมในกรณีที่ท่านมีกรรมถ้าท่านไม่มีกรรมมีกรรมเดียวถ้าท่านมีหนึ่งกรรมเป็นสองกรรมท่านมีสองกรรมกลายเป็นสามกรรมกรรมหนึ่งเป็นของเหตุตุปัจนั่นเองกรรมของเหตุตุปัจแปลว่ายังคาว่ายังเนี่ยใช้ในอัตว่า บ, บังคับของร้องใช้สั่งเชิญอ้อนวอนก็คือให้เขาไปทําให้จะจะทำด้วยยังไงกระชั้งเช่นขอร้องให้ทําสั่งให้ทําใช้ให้ทําอ้อนวอนให้ทําส่วนคำหนึ่งเป็นคำปกติของตัวทานท่านมีกรคำก็มีกรคำเป็นปกติดังนั้นถ้ามีสองคมให้รู้ว่าคำหนึ่งเป็นของเหตุตุกข์ใจคำหนึ่งเป็นของท่าน ดังนั้นทั้งธาตุทั้งเหตุปัจจัยอยู่ในคำคุริยาเดียวกันจะมีกรรมสองคำเดี๋ยวจะโยงให้ดูนะดูตัวอย่างเหตุกัตาาเป็นปัมาปัมาเหตุกตาาส่วนกรคมไหนเป็นของเหตุตปัจจัยเหตุปัจจัยถูกเรียกอย่างหนึ่งว่าเหตุอาการกรีตตปัจจัยใช่ไหมดังนั้นกรคมไหนเป็นของปัจจัยจริงจะถูกเรียกว่าการกรีตกรรมหรือเหตุกรรมการกรีตกรรมก็ได้เหตุกรรมก็ได้ส่วนกรคำไหนที่เป็นของธาตุอยู่ปกติก็เรียกว่ากะทิตกรรม กรรมถูกกล่าวกรรมถูกธาตุกล่าวส่วนการิตกรรมนะไม่ถูกธาตุกล่าวแต่ถูกปัจจัยกล่าวกิริยาก็เป็นเหตุวาเหตุกตุถ้าประธานเป็นสยะกัต เ, เป็นเหตุกัตตากิริยาก็ต้องเป็นเหตุกตุตามกันเพราะมันตรงกันนี่ยกตัวอย่างสามิโกสูทังโอทนังปาเจติสามิโกแปลว่าเจ้านายสูทังยังพ่อครัว ปาเจติย่อมให้หุงโอถหนังซึ่งข้าวพ่อครัวใช้เจ้านายใช้พ่อใช้พ่อครัวให้หุงข้าวเจ้านายยังพ่อครัวให้หุงข้าวเจ้านายของร้องพ่อครัวให้หุงข้าวอเดี๋ยวจะโยงให้ว่าอันไหนเป็นยังไงดูนะดูประโยคเหตุกรรมให้ครบก่อนสี่ประโยคเหตุกรรมะเหมือน ก, นกันกับกรรมก็คือตัวกัตตาเป็นตติยาเอาประธานขึ้นมาเป็น ปทมาวิพัฒ์เป็นตัวกรรมเอากรรมขึ้นมาเป็นประธานทีนี้เป็นกัตตาจริงแต่ไม่ได้ทําเองก็เรียกว่าเหตุกตัตตาตติยาเหตุกัตตาเป็นอภิหิตกัตตาแก้เป็นอนะพินะตกณนะหลังอะใส่ณนะหน่อยอนะพิหิตกัตตาหน้าสามิเกนะนะสามิเกณนะข้างบนนะข้อสี่ประโยคที่สี่อภิให้แก้เป็นอนะพิ เตมนหนูหลังอะอาณาพิหิตกัตตาหรือบางอาจารย์ก็บอกว่าเป็นอนณาพิเหตุกตาอย่างนี้ก็มีแต่ไม่ต้องยาวขนาดนั้นเป็นอาณาพิหิตกตาแล้วก็ทุติยาก็เป็นกรรมแล้วก็มีปัทมาเป็นกรรมด้วยกรรมมีทั้งปัทมามีทั้งทุติยา ก, กรรมปัทมนั้นเป็นของธาตุกรรมทุติยาเนี่ยเป็นของปัจจัยเดี๋ยวจะไปโยงให้ว่าไหนเป็นอันไหนเอา ตัวกรรมขึ้นมาเป็นประธานลงปัทมาวิพัฒน์ส่วนตัวกิริยามีรูปเป็นกรร ม, มะด้วยมีรูปเป็นเหตุตุด้วยจึงเรียกว่าเหตุตุกรร ม, มะถ้าเหตุตุอยู่ข้างหน้ากรรมก็เรียกวเหตุตุกรร ม, มะเพราะว่าตัวเหตุปัจจัยอยู่ข้างหน้าปัจจัยที่เป็นกรรมเรียกว่าเหตุตุกรรมะรูปเหตุตุกรร ม, มะวาจกยกตัวอย่างสามิเกณะสูทังโอธโนปาจียเต โอทโนข้าวสามิเกนะอันเจ้านายสูทังยังพ่อครัวปาจิยะเตย่อมให้หงุงข้าวที่เจ้านายใช้พ่อครัวหงุงถ้าใช้ให้ไปยังคนนั้นคนนี้คือคนถูกใช้ไปใช้คนอื่นต่อเนี่ยไม่มีนายกอใช้ในขอให้ไปตามนายขอมาในข อ, นขอไปเจอในงอใช้ในงอให้ตามในงอมาโอ ถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนื้อความอย่างนั้นน่ะมันมีแต่เขาแบ่งเป็นหลายประโยคเอาอยู่ในประโยคเดียวไม่มี <ไป S 1> วิธีก็คือว่าในกรณีที่มีเหตุปัจจัยหรือกางริตตปัจจัยสี่ตัวเน น, य, นยนาเปนนาพยาเข้ามาอยู่ในกี่ิริยานั้นธาตุที่ไม่มีกรรมจะกลายเป็นธาตุมีหนึ่งกรรมธาตุมีหนึ่งกรรมอยู่เดิมก็จะกลายเป็นธาตุมีสองกรรมธาตุมีสองกรรมอยู่เดิมก็จะกลายเป็นธาตุมีสามกรรมนั่นเท่ากับว่า คำที่เพิ่มมาหนึ่งคำนั้นเป็นกรรมของกางรริตะปัจจัยหรือเหตุปัจจัยนั่นเองปัจจัยสี่ตัวนี้จะมาพร้อมกับหนึ่งคำรรส่วนภาวะวาจกนั่นแหะไม่ต้องอธิบายเลยรหรอกมีใช้น้อยแล้วก็มีอยู่แค่นั้นนหะต่อไปวันนี้เราจะขึ้นแปลเอาจริงเอาจังแต่แต่ไม่หนักหนาสาหัสนะธรรมดาธรรมดาเปิดหน้าสี่แล้วก็อ่านหน้าสี่ปัธมาวิพัตตยันตาปัทะทะ บทที่มีปัมาวิพัฒนอยู่สุดท้ายปัมาวิพัฒนใช้ในอัด6อย่าง 1. ลิงคัถะอัดลิงมีความหมายเท่ากับปกติลิงตกเสลีเติมเสลีหน่อยปกติลิงนะเอ๊ตกไปได้ยังไงเนี่ยเท่ามีความหมายเท่าปกติลิง 2. กัตตาเป็นประธานธรรมกริยาเอง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสยะกตาสามเหตุกตาเป็นประธานใช้ผู้อื่นทำกิริยา 4. วิกติกตาขยายประธานให้เป็นผู้พิเศษขึ้น 5. อภิหิตกรรมเป็นประธานของกิริยากรรมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวุตตกรรมหรือกฐิตกรรมะ หกอาระพันะใช้สำหรับเรียกให้พูดรู้ตัวก่อนพูดด้วย